อรหันตคุณเป็นต้นอรหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตเป็นต้นเนี่ยเรียกว่า<ม>คุณคุณส่วนจริยาคุณก็เช่นบารมีสิบนะบารมีสิบอุปนะบารมีสิบปรมาถิารมีสิ บ, ม, สบมหาบริจาคหา้าอธิษฐานทำสม่เป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์บำเพ็ญมาทั้งหมดนี่เรียกว่าจริยาคุณส่วนสรีระคุณก็มหาปุริสลักษณะ นะลักษณะ32อนุพยัญชนะ80นีนะ่อันนี้ที่เรียกว่าพระสรีรคุณหันบุคคลทั้งหลายเมื่อจะเชชมพระพุทธเจ้าก็ชมอยู่ในขอบเขตสประการนี่แหละอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็สองประการนี้ใช่ั้ยคุณคุณก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธกับจริยาคุณนยนยะยกมาสองประการ คุณมีเรื่อมสในคุณะข้อไหนมากข้อหนึ่งครับข้อหโอ้คุณบุญมีนี่ลึกซึ้งนะเห็นได้ยังไงทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประกอบด้วยพระคุณอย่างนี้เนี่ยก็เลยยกข้อความในรัตนสูตรมาเขียนโดยย่อใช่ไหม ยังกินจ ah no at e, ิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรัตนังปณีตังโนสมังอธิตาธาคาเตนธัรมปิพุเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติฮนโตเนี่ยนะยังกินจีวิตตังก็คือซัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่ น, นเนี่ยนะอิทวาหุรังวาเนี่ยคือในโลกนี้ก็ตามในโลกอื่นก็ตามอ่ะ น, นะก็คือหนึ่งคำว่าทซั์ก่อนนะหรือรัตนะเนี่ยนะรัตน์ใดอันประณีตในสวรรค์ ทั้งทรัพย์และรัตนะนั้นน่ะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อความในแผ่นทองยังไม่หมดนะครับโอ้ยังผู้ท้ททารัตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประณี็ดด้วยคําสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีนี่นะก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะประณี็ดียิ่งปว่นี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความจริงท่าะะ น, นขอให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายจงถึงความสวัสดีขึ้นว่ากล่าวสัจจวาจาเนี่ยนะเพื่อประสงค์ให้สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยประสบความสุขก็ในบรรดาสิ่งที่นึกแล้วปลื้มใจเนี่ยนะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วปลื้มใจนึกแล้วมีความสุขนะแต่ถ้าคือพวกทรัพย์คําว่าซัพย์เครื่องปลื้มใจเนี่ยนะข้าของเครื่องใช้เนะี่ยตอนที่ได้มาแรกๆนึกแล้วปลื้มเลยใช่ไหม พอได้ไปนานๆแล้วนะปลื้มไหมตอนรักษาเนี่ยนึกตอนรักษานี่ไม่ปลื่มเลยนะหรือแม้กระทั่งพวกข้าวของเครื่องใช้อะไรทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอันใครที่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ก็นับว่าอะไรนะลาพานุตริยะใช่ไหมได้ได้ลาบเนี่ยนะเพราะว่าได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยยังความปีติสมานะให้ ไม่มีเส้นสุดเนี่ยนะถ้าใครสามารถศึกษาพระพุทธคุณเอาไปละลึกไปตรึกไปบ่อยๆเนี่ยนะอย่างความศกสมมนัดให้เป็นอย่างมากมายุพินที่ว่าไประลึกพุทธคุณแล้วมีปีติเป็นยังไงที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะไปนึกว่ายัางไงแล้วมีปีติใช่ไหมเน้่ฮัลโหล เวลาเยเวลาจิตใจแห้งแล้งนะเรกถึงว่าพุทธคุณแล้วก็ค่อยเหมือนกับ เ, เหมือนกับพื้นดินที่แตกระแหงแล้วก็ถูกฝนชำระตกลงมาก็รู้สึกว่าแช่ชื่นขึ้นมานะคะเรกถึงว่าพระบุทธเจ้าท่านท่านเป็นผู้มีพระกรุณาที่คุณเป็นนั้นมากนะแล้วก็ท่านไม่ได้ตัดสู้เอง สัมาระไม่ไ ด, ททได้ท่านได้ตัดสรู้เองโดยชอบแต่ว่าไม่ไม่ได้เก็บเอาไว้เฉยๆท่านก็สั่งสอนเวเนยศัสตร์ให้รู้ทั่วทุกทั้งเทวโลกมารอะพร ม, มโลกมนุษยโลกหมดเลย <c oughs> แล้วก็ท่านก็ตลอด45ปพรรษาท่านท่านก็ไม่ได้ ท่านก็ใช้ชีวิตเป็นปกติพุทธจริยาทั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ามืดคือมันมันมีเรื่องที่ต้องตรึกเยอะเหมือนกัน<笑><笑>ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ประดุษฝนราดรถจิตใจเลยนะถ้าใครเจริญพุทธคุณได้ถ้าตรึกอะไรยังไม่ได้ก็เนี่ยศึกษาพุทธประวัติตรึกตามพุทธประวัติไปก่อนก็ได้ แล้วก็ค่อยๆขยายรายละเอียดลง เ, งเป็นแห่งเป็นแห่งเป็นแห่งไปก็อย่างนี้ก็ได้นะนะอย่างนี้ก็ในบรรดาพุทธปิจที่มาโปรดท่านพระปุกกุสาตินี่ก็อย่างหนึ่งละ่ะในบรรดาเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าที่จะเห็นคุณเนี่ยนะซึ่งหลายๆท่านก็พูดเหมือนกันคือพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระกรุณาจริงๆ ถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยนะห ล, ลายเรื่องทำไม่ได้หรอกอ ย, ยิ่งอะไรการสงเคราะห์หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายดังที่เคยได้กล่าวไปว่าไปให้เขาด่าเกือบทั้งคืนะนะรอให้เขาดา่าให้เสร็จก่อนแล้วเขาพูดให้เขาฟั ง, งนะเหมือนกับว่าทะเลาะ ก, กันก่อนแล้ว ช, ช่วยเขาได้เนี่ยนะบางคนก็ต้องเดินไปให้เขาเห็นหน้าอยู่เป็นเดือนๆือนเอนี่ยนะ ให้เขาเห็นหน้าไว้ก่อนก็ยังดีบางคนนี่ก็ต้องไปพูดให้เขาได้ยินผ่านหูไปก่อนอีกนอนกว่าจะไปสง่งเคราะห์เขาได้นะบางทีบางคนก็สอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกนะกว่าบุคคลเหล่านั้นจะตรัสรู้ได้ซึ่งถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปที่ที่ขาดความการุณาเนี่ยคงทำไม่ได้หรือกรุณาไม่เพียงพอเนี่ยทาไม่ได้ซึ่ง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 นนะก็มีสิมันเนี่ยปัญหาคือชาติชารามรณเนี่ยนะคือต้องต้องสำนึกไว้อย่างนี้เนี่ยศึกษาคำสอนจึงจะได้ประโยชน์นี่มาดูรัตนะที่สองที่พระเจ้าพิมพิสารชมเชยยกย่องให้พระเจ้าปุกุตสาติฟังว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะสวากาโตภะวะตาธรรมโมสันทิโกวาิโกเอหิปสัสสโกเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ย แต่ว่าบทสุดท้ายเนี่ยปัจจตังเวทิตาโพวินยูเหตพระธรรมของพระพุทธเจ้านะวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนวินยูชนรู้ได้วินยูชนนี่มีสมประเภทใช่ไมหนึ่อุคติตันยูนี่ก็ตรัสรู้ได้สองวิปปัญจิตันยูก็ตรัสรู้ได้สานิยบุคคลก็ตรัสรู้ได้ของเราทั้งหลายฟังแล้วไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็จะเหลือ2 อ, อย่างเนี่ยถ้าบรรลุชาตินี้ก็เป็นนยิยไม่บรรลุก็ปะทะปรมะ แต่ก็ถึงเป็นประธา ป, ประมะชาติหน้าก็บรรลุเร็วกว่าเพื่อนอะ่พะพอเรียนมาเยอะแล้วเนี่ยนะสอบไม่ติดปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้ที่หนึ่งในห้องเหมนกันนะก็เอาเอ า, เอาตรงนั้นเกณฑนะ์ะนะพระธรรมทั้งมวลที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอะไรบ้างก็คือโพธิ ป, ปธัจจะธรรม37ิประการ นนะก็แสดงโดยย่อสติประทานสี่สัมมประธานสอิทิบาสีอิน 4, รีห้าพละหา้พะหาพวทชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดสติประทานก็พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเป็นต้น น, นะนะก็แสดงว่าโพทิปักิยธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่อยู่ในธรรมะที่ฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้นะเพราะว่าผู้ที่เจริญ กุศลธรรมในสามสิบเจ็ดประการเนี่ยก็อยู่ในฝักไยแห่งอริยมรรคก็ถ้าเจริญตามนี้ไม่นานสักเท่าไหร่อริยมรรคคงจะเกิดเป็นแน่ตั้งสามสิบเจ็ดเลยนะวันหนึ่งเราน่าจะได้สักสองสามข้อก็ยังดีใช่ไหมคุณอารีได้ข้อล้วรมาดิส7สิบเจ็ดอ่ะเอาเอาสติประฐานสี่ไปก็ยังดี สติประธานสี่สัมมประธาน4ี่อิทิบาทสีเนี่ยที่พระผู้มีพระาพระผู้มีพระภาคจำแนกซึ่งพระธรรมเหล่านี้ก็นำออกจากทุกจริงๆน่ะที่ที่ใครปฏิบัติเพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นยานยานะเนี่ยนะยานพาหะเนี่ยเป็นพาหนะที่จะนำออกจากวัตทุกขพระธรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นพระธรรมที่พระศาสดาแสดงแล้วเห็นปางนี้เห็นปานี้แล้วก็ลิขิตถึงพระธรรมคุณโดยย่อ เอกเทศนี่แปลว่า บ, บางส่วนว่ายํมพุทธเศโถปริวันณยีสุจิงอานันตริกันยามาหุสมาธินาเตนสโมโณนวิชติอิธรมปิธรมเมรตานังปณีตังเนี่ยน ะ, ะยัพุทธเศโธก็คือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดนะนะพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วสมาธมิมานันตริกันยามาหุเนี่ยนะ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 พูดแล้วนะก็พูดแต่ข้อ8ปด น, นะก็คือ1 2 3 4งสอก็เท่ากับแสดงแล้วอันสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นก็คือมรรคสมาธินะสมาธนะิในอริย ม, มรรคมีโสดาปฏิมรรคเป็นต้นอันในบรรดาสมาธิเนี่ยสมาธิใดที่จะเสมอด้วยสมาธิอันนี้ย่อมไม่มีสมาธินี้ประเสริฐที่สุดเนวะสัญญาณาสัญญายตนะไม่ได้เศษเซี่ยวของโสดาปฏิโสดาปฏิมรรคเลยนะ เนวะสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยไม่ได้เท่าสเกตหรือกับพี่ของโสดาโสดาปฏิมัคสมาธิเลยโสดาปฏิมัคสมาธิเนี่ยนะแบ่งออกเป็นฐานสิบหแล้วเอาหนึ่งในนั้นอนะ่ะมาหารอีกสิบหเนวะสัญญานาสัญญายตนะยังไม่ได้เสี่ยวหนึ่งที่ว่าเลยพอเนึกอออกนะกนวิธีคํานวณคุณมุนมีคํานวณยังไงนูหนนี้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 อันสมาธิอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิที่เยี่ยมประเสริฐสูงสุดสูงสุดกว่าเนวสัญญาเนีนะสกทาคามีมักดีกว่านี้อานาคามีมักก็ดีกว่านี้อรหัตมักสมาธิก็เยี่ยมกว่านี้อีกอันสมาธิทั้งในโสดาปติมักสกทาคามีมักอานาคามีมักอรหัตมักเนี่ยเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นไม่มีสมาธิใดที่จะประเสริฐเท่านี้อีกแล้ว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 นำออกจากปฏิสนที่ที่เป็นมนุษย์ในภพที่แปดเนี่ยพันโสดาปฏิมรจึงดีเยี่ยมประเสริฐมากเลยนะนำออกจากทุกข์มาดูคนของพระสง์ว่าต่อแต่นั้นเมื่อจะทรงชมเชยพระ ร, รัตนสังฆรัตนะที่สามว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตีแล้ว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 มันก็ฉี่ะนะฉี่ไปชี่ตะบัดซ้ายตบัดขวาพวกนี้เหมือนเหมือนคนเมาเดินอ่ะนะมันไม่ได้โคดแบบนั่นเนี่ยนะพระสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงทางกายตรงทางวาจาตรงทางจิตมัน้นทางกายก็กายสุจเรศสามวจีก็เป็นวจีสุจเรศสี 4, มโนก็เป็นมโนสุจริสามนะกุศลกรรมบทสิบก็ดีเยี่ยมเป็นตน้นนะดำรงอยู่ในคุณอันเป็นสาระไม่ว่าจะเป็นสมาธิปัญญาวิมุติ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 ก็พวกนี้ก็อยู่ในพรหมชารสูตรนะไปดูอพรหมชารสุตรจุลศิลมชิมศิลมหาศิล์เนี่ยธรรมดากุลบุตรทั้งหลายฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้วออกบวชอย่างนี้นะพวกที่ออกบวชเนี่ยนะละสเสวตฉับเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยออกบวชหลายหมื่นนะที่เป็นละบ้านเมืองออกบวชเลยเนี่ยหลายหมื่นละอุปราชเนี่ยนะคือก็ว่าที่พระราชานะีพวกนี้กรองราชอยู่แล้วก็ออกบวชก็เยอะมาก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 อนาคามีมรรคกาจัดกามาสะวะอรหัตมรรคกาจัดภวาสะวะและอวิชชาสะวะท่านท่านเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติจนถึงกําจัดอาสะวะแล้วก็แสดงอานาปานาสติกรรมฐานอานาปานาสติกรรมฐาน16ประการคือ4จตุกะนี่นะก็เป็นกาย4เวทนา4ีจิตสแล้วก็ธรรมะอีก4ประการ4ีคูณสก็16ประการ โดยพิสดารเนี่ยนะอาณาปานาสติที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ายก็อย่างไรนะจึงจะอาณาเจริญอาณาปานาสติอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสงมากที่สู่ในธรรมวินัยนี้อรัญญกบโดวาลุคโมละกโตวาสุญญาะกระโตวานะไปสู่ปาสูโคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูบาลังตั้งกายตรงํารงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยนะ มือหายใจเขาา้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเป็นต้นนะนะตอนพูดอย่างนี้ไม่ยากกันนะไปนั่งดูเอะยาวเข้ายาวออกเสร็จแล้วก็เออเนี่ยนะพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเนาะไปเรื่อยแล้วกันนี่แล้วก็โทรศัพท์กรี๊งมาแล้วก็ไม่ต้องอะไรกันแนละ้วเนี่ยนะเหไอบางทีก็โหหลับสนิทเลยอ่ะนะหายใจเขา้าเ ห, นหน็นะกําำหนดได้ไม่กี่ลมอ่ะนะ สนิทเลยเนะนนก็สมัยนี้เขาเจริญเป็นยา ก, กล่อมประสาทเนี่ยนะะเจริญรอาบานนะสเตียไว้กล่องจะได้หลับดีๆเนี่ยนะจะได้ไม่ฟุ้งฝนันก็ดีกว่าอย่ังอื่นนะนะแต่ถ้าเทียบไปก็ดีกว่าอย่างอื่นละ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยสําเร็จวัตถุประสงค์นะักอนะมันพร ะ, ะพระสงค์สาวกทั้งหลายเนี่ยก็ ดำรงอยู่ในอานาปานสติแต่ใครต้องการรายละเอียดนะไปดูปฏิสัมพิธามักเล่มเริมนะ่มเลยในอนาปานสติเนี่ยลมเข้าลมออกที่ใช้เนี่ยไม่ได้เรื่องธรรมดานะเรื่องใหญ่มากธรรมะที่ธรรมะกลัวที่สุดในเรื่องอะไรเนะียอานาปานสติปฏิสัมพิธามักอ่านแล้วเข้าใจยากมากมนะใครอ่านแล้วเข้าใจดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างเป็นยังไงเรา จ, จะให้ถามทุกบททุกบทไปเนี่ยนะอยากกะถามจริงๆเลยนะ กูมุชูพร้อมรืยยังไปนค้นมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยอนะนะเปิดเรียนได้ของมาสมัครเป็นนักเรียนคนแรก <c oughs> อ่านยากที่สุดเลยนะปีดกสามนี่อนาปานสติยากกว่าเพื่อนเนี่ยนะเพราะว่าหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวเป็นผ้ารหารนะันน่ะจะง่ายได้ยังไงเนี่ยนะแล้วก็ปฏิสัมพิทาสี่อย่างเงี้ย หายใจเข้าออกไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะแต่ถามว่าทั้งง่ายๆนะแล้วใครขณะไหนบ้างไม่หายใจนะชีวิตทั้งชีวิตมันก็หายใจตลอดอยู่แล้วล่ะทีนี้หายใจแบบไหนอะไรมีอะไรเป็นสมุทฐานอะ่ะนะเพราะว่าตัวหายใจเข้าออกมีจิตเป็นสมุทฐานใชจิตที่ทําหายใจนี่มันจิตชนิดไหนบ้างละ่ะนะเพราะว่าระงับลมหายใจจริงๆเนี่ยฌานที่สี่แต่บางคนหากคนคิดหาลมหาไม่เจอนึกว่าตัวเองได้ฌานสี่นั่นไม่ใช่นะบางคนเนี่ย กำหนดไปแล้วลมหาลมไม่เจอใช่ไหมเออนี่แหละชานสีแล้วเว้ยอันไม่ใช่สักอย่างนะนะอันนั้นลงลืมสติรววังกันทีนี้สรุปว่าพระสงฆ์สาวพวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ได้ทรงสอนทั้งหมดเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็คือเยปุคลาอัฏฐสตังปรสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทกินยาสุขตาสสาวกา เอเตสุตินนานิมหพลานิธรรมปิสังเครตนะงเนี่ยนะบุคคลเหล่าใดแปดแปดจำพวกโสดาปฏิมักเป็นต้นสี่คู่นะคู่แห่งพระโซดาบานคู่แห่งพระสกาธาคามีเป็นต้นเนี่ยนะอันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยควรแ ก, ทกาาแงง่ทักษิณาทานแปลง่ายๆว่าทักษิณาทานเนี่ยแปลงง่ายๆว่าไงแปลว่าสมควรทําบุญอุทิศให้ผีได้นะ ผีเขาจะได้ไม่อะไรนะคือเขาเต็มใจรับอ่ะนะเขาเต็มใจอนุโมทนาอ่ะนะเพราะว่าผีเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเขารู้ความประพฤติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมมนุษย์ดีแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยถ้าทําบุญกับสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยผีเขาอนุโมทนาลงถ้าหากว่าไปทําบุญกับคนที่ไม่ใช่บุคคลที่ปฏิบัติชอบตามธรรมตา ม, ตา ม, ตามวินัยเป็นต้นเนี่ยเขาอนุโมทนาไม่ลง เรก็เลยมีในเปรต ว, วัตถุอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกว่าพวกศรีรษะโลนปลนเอาไปหมดแล้วหวังอั น, อนคําว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าควรแก่ทักษินาก็คือเข้าอนุมโมทนาได้ท่านเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุขสุ ข, ส, ขสุขโตใช่ไหมไปดีแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าไปดีแล้วไปไหนไปนิพานนนนพานอยู่ตรงไหนเนาะตกลงนิพพานอยู่ตรงไหนจะไปโดย อ, อ๋อหายไปเลยเอมันดีตรงไหนอ่ะนะไปแล้วหายไปเลยอ่ะ อ, อ๋อขีนังปุระนังนวังนที่สัมปวังเลยเนะี่ย <c oughs> คือคำว่าไปดีเนี่ยก็คือไปสู่อาสังคตาตธาตุเนี่ยนะ <c oughs> ของเราก็จะเอาแต่ตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปอนะ่ะเนีมันห่วงอัตตามากจะเอาอัตตาของเราไปเที่ยวที่นั่นอีกจริงก็นิพานก็คืออาสังคตาตธาตุไปดีแล้วก็ไปด้วยอริยมรรคเนี่ยนะ ไปแบบมัชชิมาปฏิปทานไม่ได้ไปแบบกามาสุขาริการุโยคไม่ได้ไปแบบอัตตากิรมมฐานุโยคนั่นปันทานที่บุคคลให้ในบุคคลเหล่านั้นคือในคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษเหล่านี้เนี่ยเป็นทานที่มีผลมากเมียนิสง์มากสังขรัตนะแม้นี้ก็เป็นรัตนาอันประณีดด้วยคําสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี แล้วก็ชีช้นาชัดเจนอีกว่ า, าศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วเป็นาศาสนานําสัตว์ออกจากทุกนะปล อ, อเอปอปลอะไรนะปล อ, อปล อ, อนี่แปลว่าอะไรปัจฉิมมะลิขิตใช่ไหมบอกว่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัส ด, ดีแล้วเป็นาศาสนานําออกจากทุกท่าสหายของเราอาจอาจได้ไซขอได้เสด็จออกผนวดเถิดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปลอ ถ้าบวชได้ก็ดีนะแต่ข้าพระเจ้ายังบวชไม่ได้หรอกเหมือนกันถ้าท่านบวชได้ก็ดีเหมือนกันก็เลยชี้นะไว้นิดๆน่ยนะบวชได้ก็ดีไม่บวชเนี่ยนะพระเจ้าก็ไม่บวชอยู่แล้วยังไงก็ไม่บวชนั่นแหละทําไมจึงไม่บวชนะไปเดี๋ยวไปที่ราชกึกไปถามดูสิทําไมไม่บวชถ้าบวชนะพระเจ้าชาติศัตรูไม่ฆ่าหรอกเหมือนกันไม่บวชท่านก็ตายไปแล้วห่ะปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ถึงทุกวันหรอกก็พอเสร็จแล้วก็ม้วนแผ่นทองคำผ่านด้วยผ้ากําพลเนื้อละเอียดใส่ไว้ในหีบวางไว้ในหีบทองคำเนาะแล้วก็ใส่หีบทองคําลงในหีบเงินใส่หีบเงินในหีบแก้วมันีใส่หีบแก้วมัีไว้ในแก้วประพานใส่หีบแก้วประพานไว้ในหีบทับทิมใส่หีบทับทิมไว้ในหีบแก้วมรกตแล้วก็ใส่ในหีบแก้วผลึกใส่ในหีบงาแล้วก็หีบประจนะทุกอย่างวางหีบทุกอย่างลงในหีบเสือลําแผน โอ้โหเขาเคารพมากเลยจดหมายฉบับนี้นะของเราวางพระไตรปิฎกไว้ตรงไหนกัน <c oughs> นะของเราเนี่ยวางไว้ตรงไหนนะใครเคารพอไหนก็ยินดีช่วยนะคุณนภ า, านี่ยกราบพระไตรปิฎกเลยเจ้ า, าดี <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ไปวางพระไตรปิฎกไว้เรี่ยราดไปหมดเลยนะแมไม่เคารพเลยพระเจ้าพิมพิสารนี่เคารพมากนะนมันก็ใส่ถีบไว้ในพระอบเหล่านี้ไว้อย่างแข็งแรง เลยนะหนังสอือมันขยัปยนปัตยุดดมีดีอย่างเดียวพระองค์ก็ทรงวางพระอบแข็งแรงไว้ในพระอบทองอีกแล้วก็นําไปโดยนายกรเลยนะแล้วก็วางพระอบที่ทําด้วยรัตนะทุกอย่างลงในพระอบที่ทําด้วยเสือลำแผนแล้วก็ใส่ไว้ในหีบไม้แก่นก็นําไปโดยนยะดังกล่าวแล้วทรงวางหีบที่ทําด้วยรัตนะทุกอย่างลงในหีบที่ทําด้วยเสือลำแผนข้างนอกทรงภาพด้วยพันอ่าพันด้วยภาพ ประทับตราพระราชลัญชกรสั่งอัมมาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงตกแต่งทางไปทางในสถานที่ซึ่งอยู่ในอำนาจของเราให้กว้างแอุสสะพระสถานที่4ี่อุสสะพระต้องให้งามเสมอท่านทั้งหลายจงตกแต่งสถานที่4อุสสะในถามกลางด้วยอนุภาพของพระราชาเนนะ้ก็สั่งประชาชนว่าสร้างถนนตลอดบริเวณเนีย เพื่อพระไตรปิดกจะได้โคจรไปได้นะพระรัตนจะได้เสด็จไปู่ปัจจันตชนบทอย่างน้นะแต่นั้นก็ทรงส่งทูต ด, ด่วนนะ่แกข้าราชการภายในว่าจงประดับช้างมงคลจัดบัลลังก์บนช้างนั้นยกเวตชัดทาถนนพระนครให้สวยงามประดับประดาอย่างดีด้วยธงปะตากอันงดงามต้นกล้วยหม้อน้ำที่เต็มทูบของหอมทูบดอกไม้เป็นต้น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 ไปจนสุดพระราชอาณาเขตของพระองค์แล้วก็ได้พระราชทานพระราชสารสําคัญแก่อมาลและตรัสว่าดูก่อนพ่อพระเจ้าปกกุศาติพระสหายของเราเมื่อจะทรงรับบรรณาการนี้อย่ารับในท่ามกลางตําหนักนางสนมกำนันนะอย่าไปเชิญนางสนมนางกำนันมาด้วยนะเวลารับเครื่องบรรณาการอันนี้เหมือนนจงเสด็จขึ้นปราสาทและทรงรับเถิดนะนี่แสดงว่าขัดขวางมากเลยนะสนมกำนันเนี่ยไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยรู้เรื่องนะ ก็ลองเลี้ยงหลานไปด้วยอ่านไปด้วยดูสิพระไตรวิฎกอะได้ผลดีขนาดไหนเคยลองไหมแม่มมครูเฝ้าบ้านเลี้ยงหลานอ่านพระไตรปิฎกด้วยเนี่ยนะ ไ, ได่งานสักเท่าไหร่หรอกยมนองพิสูจน์มาแล้วมั้งอา <c oughs> ่ <c oughs> อานไม่ได้กี่หน้านะ <sh arp> ชวนหลานคุยไปหมดนะ แ, แลแ้วที่ถามบอกว่าาฟังอ่านแล้วร้องไห้ไม่เห็นจะเศร้าตรงไหนอเอาไงเอาไว้คุยนอกรายการกันแล้วกัน